อ้าววัดพระลุนอ่ะสร้าเรีมาเป็นเาไรสร้างวัดสร้างอะไรนะคะ้างวัดสร้างนี้ต์ไ่เนี่็นวนก็มัรู้รา่นอกอ่ะวัดจำีตีวัดได้นเองปวัดรองเนี่ยนะคะแล้วก็รวนแล้ววันข้นอยเศษแล้วไปนะจเสียงนะจะไปแล้วไปนอ เวลาตายแล้วจงไม่ตื่นช่างเถื่อนรับไม่ไหร่หลายปีแล้วนะคะสองปีสามปีแลามปีนะตอนสูนะคหลายปีวันนี้รุงเทพเข้ามาามาการให้กขาถ่ายกัรเข้ามาค่ะแลรัโล่นะคะตอสองถึงมาตอนถึงมาไปแล้ว อันน kind of ี้แล right. no no ้วค่ะประวัตปกระโดดพี่คุณจาเป็นอะไรนะคะผมจะถามให้คยาตอบดีกว่าประวัตินีนะคะประวัติฉัก็เกิดที่จังหวัดน้าทองนะคะโดยจังหวัดน้ำทองว่ามีดามรรดาฉัน่ยไม่เคยทำอะไรแล้วไม่เคยไปไหนฉันมีคนที่ยวตากน้ากินก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวก็ให้อยิบถือถือก็ทำมาหากินไปไล่นา็ม่มีเขาอะ แม่ขายของไปแล้วแม่ฉันเลยชอบเกยไม่ตาจะเต็มฉหรือเกยออไม่ตายยังตันตายจะเต็มฉันตายอะไรเนี่ยอว่าฉื่ออะไรเนี่ยคุณยายไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมเรียนหนังสือหป่าคะเรียนไม่เต็มเลยค่ะไม่เต็มค่ะคุณยายไปจากอังคองอายุเท่าไหร่แตงงานอายุค่ะแต่งานแล้วนะคะอายุ้า น้ำอีกอันก็ไหลอไปหล่ออ่ะไปจไปจำอ่เสือแพนี้ฮะก่อสือแตเขียวนี่ยเสืนี่ก็ต่างก็รุ่นยกเลาก็จะคุณหนูนะคะข้างนก็ต่ิอนี่ในหลวงนี่ยเสด็จไปไหนก็ลองเอาเสือแพนเนี่ยไปอมากออกมาทนี้ก็ นมรับแม่เนื่ อ, อยขอไม่อวั่งอ่ะติดติดติดโง่เลยโผล่มาแหละอันนี้ก็แกกะตายตายแล้วก็าเหมอันก็เข้าไปหลายตัวแต่ไม่เด็จขาดภาษาอียาตเจ้าไ็อยู่มาก็บท่านมาตั้งหลายปีนะคะอยู่ก็ท่านอ่ะไม่อยู่ก็ท่านแคะมีรถมารกถก ล, ลางรถเจ็บรถยนต์ยังไม่เคยเห็นเลย ยายเสียเหตุไอหลวงเข้ามาเฝ้ามันเด็ดยเหตุรบบุไออยู่มาจากน้นรุ่น้แล้ว่อยู่มากันกันสามีกันชายกไป่ยมไปยี่มที่บุตคะฮะมีลูกใช่้ะมีเจคนหลอสาคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายคนมีตายส ลูกชายลูกชายยังมาทำงานไม่โหน้าหรือค่าเหลือขอ่าอุดยังอันนี้ก็ออกแล้วนี้เขาดู่าหันนี้ว่าพอพาจําเล็กต อ, อ, น, น, อนนั้นตอนนั้นสามีจัาจําเล็กัง อ, อยู่นะคะก็มาทำศพคุณแรกก็กลับไปอยู่ได้เจ็ดวันใบชัก็เป็นไข้เป็นไข้เขาบอกว่าคุณ ไปหาหลุงพ่อไปรูองค์มชิบาลแท้ก็ไม่ตายแ้มีธรรมะเนี่ยแล้วบอกกันไปตายอ่ะวันนั้นก็ลูกกระเบิดมันทิ้งวัดไปอยู่ในวงเลยนะคะวันที่จะจะตายนะคะลุงดิ่นก็ทิ้งแล้วก็พาไปหาหลวงวันนั้นก็เป็นวันพระหัสหลุงพ่อก็ลงพรดีอีกแค่ก็เดินไปถึงพระดียังยังไม่ขึ้นเสลาเนะคะหลุงพ่อเห็นว่าอิจฉาข้าวก็หยุดหยุด Sí เขาบอกว่าคุณสีสุวรรณเอ็งคราวนี้เอไม่รอดนะเอ็งต้องตายอ่ะภาษาญี่นใหญ่ใช่ไมเขาบอับฉนอย่างนีกไม่คุ้นเ่าู้คนมาเต็มแล้วล่ะมันก็เห็นเน่ยมันก็ยืนดูยืลดูก็ต่อต่อยุ่ยไปทั้งบอกว่าเอ็งคราวน้องตายนะคุณลี่ต้องตายนะไอ้มาล้อมใ้เาบอกขาแค่บว่าหนอมาล้อมให้เฉย บอกว่าคุณสมตรงผามาในการอย่างป่ะก็ต้องร้องไห้เธยอยู่เคยใส่ใส่ในการนี้ก็ต้องร้องไห้ไอ้ที่มาใชคนอ่ะใส่ตะยังใส่ให้เลยผาพินาแล้วแขบงท่านก็ยังบอกถ้าขึ้นถามนะคะอีกก็ไม่ไปแล้วก็มีอีแ้่ก็ไม่ไปแล้วก็มีภาษาไทยอันนี้ก็ถาเขาเลิกธรรมะแล้วเ้าก็บอกว่าอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็ท่านก็เข้า จคน่ันนะ่งวิาคยื่องลเลยลมาแก้ไหวทันนะฮะแก้ยังไงยังไงก็ไม่ฟ้นแล้ ว, ว่าัดายแล้วถึกเนี่ต่างา ย, า ย, ายก็ตายจรางจริงอ่ะอยา้กแล้วเราจะทไงลว่อลยังอ่ะวให้คุณเราจะสดได้ไหมแล้ววันนี้สวดเลยเนาะเดี๋ยวลูกร ก, ก, ก, กมาไยี่ยมบนแล้วก็ทำอกันเลย่าอกากรเาคุณแม่ฉันอะ่ะก็เหลือเงินไปร้อย ก็ยาเงิน อ, อันนี้เนี่ยเดอนเดือนคุ้มวกว็เดี๋ยวไม่ออกอันนี้ก็หลงพ่าก็ยัไม่จ้างแล้วแล้วก็ไปทำอาบไปไว้วัดวัดชีสิไปีเนี่ยเขาไม่ฝากเลยเดี๋ยวนี้เป็นรักนางชีนะเดี๋ยวนี้เป็นรักนางชีฝากไว้ฝากว้สิปีหลวงพ่อเราก็อันนี้ก็อยู่กับลงพ่ามานะคะอยู่กับลวงพ่ามาก็หลวงพให้ทำวิชาทำวิชาโคนเหยีคนค น, คนเป็นเพื่อนกันเยอะหัวหน้า หน้านคนละสี่ชม่โงนะคะคนหน้านหละมีสี่คนคือนคนหน้าหนึ่งก็สี่คนคนหน้าหนึ่งสี่คนคือหนึ่งนะคะผ่านไปบางวันก็บแบบเดียวกันคือแบบเยนนีน่ก็หลวงพ่อก็สั่งสั่งวิชา<อ>แล้ววิชาก็สังคนต่างทางกันไนะค ะ, นะคะ คนทำก็บวชชาไปง่ายงง่จแล้วก็ตามทำสอนคือแค่ความรู้ความเห็นไม่หมือนกันไม่เหมือนกันนี่ค่บางทั้นเร็วบางท่านช้าคือแท่รบบวัฒนาโอ้ทราบวลังวีมาเอไม่เหวืนกันคุณยายไปบวชอายุเท่าไหร่คะคุณยายไปบวชอายุเท่าไหร่โอ้อายุเท่าไหร่ยังใหญ่แล้วบางท่านตายซูวอะไป ตายเดือนนั่นทีบวชเดือนนั้นแหะสามีฮะสามีฮะแม่เขาบวชมัน้องบนที่นี้ีนะคะ่าเสียตามฟีว่าตามยายบวชมากี่ปีนคะลับวชสามีที่ตายฟว่านก็บวชสามีเสียวน้ายเดือนนั่นทาบวชเดือนนั้นแหละแสามีอายุเท่าไหร่สามีคุณยายอายุเท่าไหร่แกคาเนี่ยสามียายจันท้าปีตายอายุเ่าไ่คุณาหปีนะคะ ตอนตอนตอนเสียอายุเ่ไหร่ ว, วันเาค่ะมันเกิดคุณยายจาได้ไหครับฮะวันหนเกิด ม, มันเกิดได้ไหมครับได้อ ว, วันเสาเลยค่ะครับวันเสาเดือน เ, เดือนทอดปีช่วครับขึ้นแรงกี่ขั้ครับอะไรคะขึ้นหรือเรนกี่ขัครับไม่าลค่ะเปีชั่วอะไาคุณยายเป็ยี่่ไหนะคะยแล้วค่ะย่่ไหรนะนี้แล้วกายูปแห้าเลยะ่แล้วผม แล้วก็าคขอทราบชื่อคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายนะครับค่ะบิดาฉันก็คือพ่เลียวารดาก็ชือขังังแล้วก็บิดานานดาประกอบอาชีพอะไรครับขายปบิดานาดาประกอบอาชีพอะไรครับขายของอะไรคะสันนขายของมารับราชการก็ทำงานก็ขายของนะคะก็ขายเ๋ยวเนี่ยขายก๋ยเต๋ยวเป็นอาชีพไปนึ่งชาวนาทู่บด มีข้าวจังด่าจงยีสิบเตียขายนี่เกี๊ยวนะคะรายได้ดีรายได้ดีนะครับเกี๊ยวมายเนี่างทองไหมคะล้ำค่าดังหน่อยเย่เกี๊ยววอนไปไหนอ่ะ่เียท่แล้วเกี๊ยวมาแล้วสห้าดล้วอ๋อแล้คุณยายไปอยู่หลงพ่อนี่สปีฮะ เรงว่ามันน่ยนะแล้วอยู่อยู่นานแก่ไหนถึงจะได้ธรรมะครับโอ้ยได้แล้วก่อนเอได้มาก่อนถึงจะได้มาก่อนที่จะไปบวชนะฮะไม่เอาว่ไม่เอาลจะว่าใจขาได้ได้ธรรมะก่อนที่จะไปบวชใช่ะหมครับอ่าไดมาก่อนมาก่อนสักกีปีครับก่อนสิปีสิปีนะครับสิปีก่อนตีว่าอ่าสามแล้วก่อายมามาก็อยู่ก็บท่านสามีคุณยายได้ใช่ไหมได้แล้วสามีอยากทด้หลังอ๋อได้ที่หลัง สามีคุณยายชื่ออะไรครับชื่อชื่อในคป่ะครับโชคันุน่ะนันตะคอาสวัยอ่ะแล้วนานคุณเดิมของคุณยายอะไรครั บ, น, บนับนตะุณที่นูเป็นบัญยงะะบัญยงบัญยงบังอย่างนี้แล้วก็ก็ชายนะุลถามีกัดัพี่น้องคุณยานี้จะกกี่คนครับโอ้เหลือมาแล้วเก้าคนนะ้คนผู้ชายสักกี่คนมีมีผู้หญิงสามคนเ้าคนอ่ะครับผู้หญิงเยอแล้วเหลือันสงคนีเน แล้วปัญญาเป็นคนสุดท้องหรือเปล่าครับหรือว่าในคณพี่น้องนี่ปัญญาอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ครับที่เ้านน้าเหรอก็มีลอไหน่ะทั้งแข้งก็ลำดับคนที่แปอ๋อถ้าคนที่อยู่นี่กับคนที่เก้าแสาวก็สาวคอเาปัญญาจะก่อนที่จะเข้าลงทงวิชาขหนวงพ่อวัดปากน้ำนี่ต้องสอบนะมต้องสอบสอบาวนี้ค่ะต้องสอบนะสอบยานคัสนะ ไม่้่ะ อ, อสั่งนะะ่าใครได้ไปอาอาจารย์ก็สอนค่ะสอนเปแค่หละคลุยาสอนแล้วน่นก็หเหตุดูผเนี้ก็เข้าไป้าปฟังวิชาที่หลวงพ่อแล้วใครเป็นอาจารย์ของคุณยายครับอาจารย์ฉัแะค่ะอาจารย์นก็คนแรกก็คุณนักอ๋อท่านคุณนัอาจารย์ก็สอนอใก็สอนนี้ใัมาลสอน น, นี้สอนมายัางไงต้องจาจําๆเข้าไว้ ไอนน้ก็คุณปาก็บอกว่าล้ออ่ะต่เขาเป็นคนสอนดี่งนะคะแล้วผมะก็รู้เหตนนุูผมดีก็นางฟูก็บอกนี่ห้อนี่ล้อก็ที่ไปดูชิบดูเขาได้ทาย ไปดูที่อยู่คื้อ่ไปดูที่อยู่ที่สายวรานิพพานไปยังไงนับว่ไปาไปดูเหูขนะไปดูไปดูสวรรค์หกชั้นแล้วไปดูตรงสีชั้นแล้วดูตรงหกชั้นแล้วก็ข้าพระิานนะคะพระนิพพานก็ไปดูเหตุดูผลของพระพุทธเจ้าและอรหันต์นต์ะองค์ทำปฏิบัติยังไงปฏิบัติชอบยังไงปฏิบัติดียังไงแล้วก็ไปดูดูมาก็อ่าไปเห็นองค์ธรรมกาย ที auf í, auf í. Auf í ่สี่ชั้นไปนี่เป็นองค์ธรรมกายธรรมานะคาเป็นกายธรรมลั่นเลยตอนที่ยัไปนี่นะคะเห็นองค์ธรรมกายนี่ก็ทำไปในกลางกลางขอางกางขกางก็กลางธรรมกลางสีกาสมาธิกลางปัญญากลางวิรูวิรูยานะของผู้เจ้าการรดับไปก็ก็ไปเจอเห็นว่าสัญกรมโลกตัว ใหญ่เท่าภพสารเต็มแต็มในธาติเต็มในธรรมทั้งหมดถ้าตูเท่าไรก็ธรรมนี้ก็เต็มธรรมทยูธรรมมีเท่าไรก็เต็มอยู่ในธาติอยู่ในธรรมทั้งหมดนี้อ่ะใน่าตินี่ก็ไม่รู้ว่าในท่าตินี้องค์ธรรมกายองค์นี้ใหญ่โตเหลือเกินที่พิพานไปแล้วองค์ธรรมกายเนี่ยเรียกอะไเรียกทางนั้นแล้วไปเจอองค์ใหญ่เต็มธาติเต็มทรรก็ยังไม่รู้จักนะคะ น, นี่เป็นยังไงทำนี้เป็นยังไงว่าไปดูก็ถ้าของของพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่นี่เป็นองธรรมกายองค์ใหญ่องี้ถ้านั่งอยู่ค่อะไรก็ดูดูเหตุดูผลไป น, นี่องค์ธรรมกายวางไปอยู่ยังไงก็พิจารณาดู ไม่เห็นแล้วออกหรือพระเจองค์ธรรมกายนี่ต้องมีมีธาตุต้งหกมีดินมีน้ามีลมมีไฟมีอากาศแต่ธาตุยานธาตุเพราะไมธาตุต้องหกติดไสก์ลมรอบตัวที่องค์นั่งเลยนี่ละแล้วธาตุต้องหกนี่ก็ใช้เป็นแก้วไปหมดแล้วองค์ธรรมนี้องค์ธรรมกายนี่ก็นั่งอยู่บนองค์บนอากาศบนธาตุต้งหกนะคะใหญ่โตโหฐานไม่มีอะในพระนิพพานที่ไหนที่ไหนไม่มีใหญ่บนองค์นีว่า ฉันเห็นเห็นกายหลวง้าอ้ามามาตากรดให้ฉันเห็นอ้ น, นี่แทนว่าองค์เอาเอาผู้ิงเจ้าองค์เล็กๆเล็กๆเหมือนยังนะตองเล็กๆเล็กนะังก็ใส่ทานใส่ผานมาไว้ให้ฉันดูอ้ฉันดูต้องอ๋อหลวงพ่นี้พระอิพาน์ทั้งหมดพรอิพานต์ทั้งหมดนี้ไม่มีเท่าตายกายธรรมกายยังไม่รู้ว่าธรรมกายนะคะตัวหลวงพ่อองค์ น, นี้ไม่ได้แน่นอนล่ะ มารู้ใหญนลวงพ่อแล้วฉันก็กลับกลแล้วพระอาจารย์พระนกุญตุกตนาทิงก็ไม่ดูพใะนพานนะคะ<ม>เห็นหว่าผูิจเจ้าอีองหนึ่งอง์ใหญ่ผ้าเท่าไรก็เต็มหมดทำมี้เท่าไรก็เต็มหมดใหญ่โตโหฐานนับประมาณไม่ถ่วนไม่รู้เป็นกายของไครเนี่ยผ้าทั้งกระตาตากดท่าก็บอกว่ า, วาพาะนิพพานเล็กอย่างนี้แล้วอง์ธรรมกายใหญ่อย่างนี้นักบุญเขาบอกว่ะ น้องในน้อมน่ไปเจอไปเจอพ่อด้เมเดิมขใหน้องแล้วนี่ตายของพ่อยกคุใได้ไม่เห็นตายนี้แล้วไม่เห็นตายองอุทมตายของพ่อแล้วเลอ่ะนองยัเกีงยกคุเกีงได้ยังไงนาอ้าวในนอไปดูทั่วทั่วอ่ะเล่ามาเล่าเรื่องอะไรอะไรให้ฟังหมดแล้วไม่มีใครไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยเอยนี้ักับ ออกมาก็ดูก็อยู่มาอย่างนี้เนี่ยก็ดูเหตดูผลอ น, นี้ก็หลวงพ่รบอกขนมหลองพ่อนั่งเขาไม่ใหานั่ ง, า ม, า, งามลำดับข้าราชการลูกน้องตามผลลูกน้องไม่ปนกันนะคะผนหน้าเขาก็อยู่ตามผหน้านี่ลูกน้อ ง, ก, องปปก็ น, น, ะะนั่ ง, ง, อ, ย ง, ง, อ, ย ง, งอย่างนี้ลระแรงก็อยู่ข้างหลังพราอยู่ทั้งหลังก็เหมือนกันอย่างนี้อย่า้อนี้แต่เขไม่เห็นกันรู้จักเสียงกันันนี้ก็ ยังก็ถามว่าถามว่าน้องน้องเห็นอะไรบ้างล้วบอกเออน้องไม่อยู่ยไกลในหวันเนี่ยน้องก็ามาใกล้ๆเผลอๆนี่ตีก็ไม่ใหเขา้าห้อกหลวงพ่อมันังว่าไม่ให้เขา้าเอาชิดก็หลักหัวหน้าแะหลวงพ่อสั่งยังจะเข้ามาได้แล้วก็เข้ามาเขาน่าเขาบอกพ่อนาลงนี้อั น, นนี้่ะแล้วก็บอกว่าน้องไม่จะเล่าเรื่องอะไรฟังละ่ะจ ะ, ะออมาโวล่ายนานไม่เป็นหมาเราก็อยู่นานจริงนรคะ ปัญหาย่ไปเล่าเลยอ่ะเจอหลวงถามไแล้วก็อบก็ตอบเหตุตอนี่แล้ว่าจรงหรืไม่ว่าเขหาจรงหรือมหวยเล่าเยอะเขหนาอือันนึ่คืนนึงหลวงพ่อคืนนั้องยานยังไม่ดอน2องยานที่จะออกไปแล้วนี่ละคะอันนี้แล้วบอกว่าแลว่ากนอเขาตายอะไรของาตเราไม่เจออะไรอันนี้ว่าไปเจอเจ้าวิชาของเทมารู้ค่ะมนุษย์เหล่านี้ ในธานในธรรมของมนุษย์ทั้งหมดเขาเข้ามารูในเขาเข้ามาอยู่ในเห็นจังพิรู้มนุษย์ทั้งหมดเลยเขาไมาร่รู้อยู่ในธานในธรร ม, มทั้งหมดแล้วผู้ทีเจ้าจะรู้อะไรก็ไม่รู้ด้วยเจ้าทีเห็นอะไรก็ไม่เห็นด้วยะะรู้เขาเนะ่ยดวงรู้เขานะี่ยบอกดวงรู้เนี่ยดวงดาเลยถ้าเขาเป็นผู้ทีเจ้าเข้ามาบังคับในมนุษย์ทั้งโลก มาบางคนนัในายบนรลุทโลอกนายาทะลอกนาขันทโลกในสับท ะ, ล ก, ท ะ, ล, กทะลกหมดอโอวิชานี่เนี่ยวิชาวิชาย่อยนะหลอมหลอมจยาแล้วก็หลวงพ่อจำวัดแล้วก็เวทถือไปนี่ไรับนอมเนี่ยหลอมบอกอว่าเขาบอกดีเจนะ้นะเียวิชานี้วิชาสำคัญทำมาตั้ง20ปี30ปียันแล้วก็จะเจอเขาในจังก็ขับไปนอนนี่ว่าหลวงพ่อว่าตืต่ตนามา น้อมเขาบอกว่าไปแล้วเนี่ะค่ะน้อมบอกวิชาว่ายังไงหัวหน้าตองตีคนเขาก็นิ่งเขาไม่ตอบอยังไงเขนิ่งจ้าเขนี้หัวหน้าสี่คนมีใครบ้างเนี่ยนหลายคนจะรู้ให้ได้เลยอนะ่ะไม่ไหลไดเหรอเรียกเขานิง่งจี่เรื่องพ่อเขาคืออันอีฉันล่ะบอกมเร็วๆเข้าอนแรกเขานอนอนะ่ะไม่ตามน้อมาเดีย๋ยวนี้สั่งไม่เหมืหนสั่งนี่ล่ะน้อมเขาบอะหา รลอมเองไม่หลอกเขาจะบอกคองพระลูกบอกหลอมอย่าลืมมั่งเราไม่ลืมลูกบอกไปอย่างนี้เนี่ยเอานอนไม่บอกอย่างนี้เราพวกเองเราไม่ทากันเไม่เอาละวิชาแบเนี้ฉั้เ็นคนใหม่คนขี้หลังเื่อนเขื่อนหัวหน้าอ่าท่านบอกว่าเรี่กงวิชาเรียกวิชาสาคัญเนี่ยดูดีกันจะต่อกันได้อย่ามันตได้ไหนแล้วพวกเองมันถามันไพวกเองมันไม่ทำกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> รที่ชนน ะ, ะเรอรยกโปรนีนก็เล่าเรื่องไว้วางวันนีัเาทีนะี่ว่าเอเอไม่ทำล่างทำหนอมก็โดนตุกมันังก็ตัดมันนอนหรือมาเร่ของง่ง่ายนี่แหะววนหนึ่งนะคะแวนที่หนึ่งว้นที่สองวนที่สามนี่ยะไปเอาวิชาที่ทาแล้วเนะี่ยจมาทำต่อไปไม่ได้กำหนดทำไมฮะ <Ha? S 1> ทาไมฮะ ไม่ไให้ทําทําแล้วเนี่ยไม่ให้ทำซ้ําตรงนี้เวนที่หนึ่งนี่ไปหาเหตุสาเหัุไปว่าไปเจอวิชาช่านนั้นแหละนะคะเจอวิชาช่านนั้นเขาก็เล่าพ่อฟังก็เห็นดีแล้วก็เวนที่สองก็ไปรับรับธรรมจากไอ้คนนี้เห็นนะคะเวนเวนที่สองรับธรรมไปรับทําไปแล้วว่าไม่หาธรรมะ ใหม่อีกธรรมะที่ทำแล้วไม่เอาล่ะไปหาธรรมะใหม่อีกวันนี้ธรรมะใหม่นี่พอเราถามว่าเห็นอะไรบ้างถูกตั้งกว่าสองของท่านไหมถูกตั้งกว่าสอแล้ว่็อี่ฉันก็ทําไปต่อตอนที่เขาเขาเห็นแล้วเนี่ยค่ะว่ารับทุ่วงเขาไหม่รับทุ่วงเรามีทาใหม่มาดีสร้างกันนะฮะจะทาต่อไปต่อจากคนก่อนนะครับต่อกันต่อจากเวทีเอาวิชาที่เห็นแล้วเนียวเอาไปทาไม่ได้ ไม่ให้ค <The> <of br> <afa> ่ะไม่ร huh. ู uh ้ไอ้หลวง่ไอ้คุณยายทาไงได้เป็นหัวหน้าอะไรไงอ่ะยังไงก็ไม่ช่หรือไง้คุณยายเข้าไปนานไหมไม่นานแล้วค่ะแล้วหลวงพ่อแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าอ่นี่ก็นันอ่าแล้วก็ดูเหตุดูผลเลยนะคะกลก็ถามมันเนี่ยเออนงหลวงพ่ออย่าไปเทศนาสำโรงแล้วนั่เข้าที่สำโรงหลวงพ่ออย่าไปเทศ น้องไม่ก no, ้นวิชาให้หลงพ่อสิหงพ่อจไปแทยให้เราที่ได้ดูล้ววันนันวิาโอ้โหหลวพ่อให้ไปหาที่ไหนไทล่ะนึกใจตาละเดินไปคอยฟังยันจะไปหาที่ไหนไทยล่ะแต่คุยกับพระจริงจริงแลต้องอาที่ไหนดีเนาะเอาที่หยุดปิดใจสูดตั้งใจเยคะอ๋อมนุษย์เรานี่ไม่มีเครื่องปานี่ไม่มีเครื่อง เหมือนสวิตไปกดกดปุด่มเครื่องปุ่มอันนี้เขาแล้วปุ่มนี้ก็เปิดดวงใส่จ้าแล้วบางใด้ยังล่ะเขาบอกว่าได้แล้ว